ความสุขความเจริญจะมีเด็กท่านสาธาชนทั้งหลายและบรรยายเรื่องมาราวโลวลาทสูตรมาโดยลำดับอือเป็นพระพุทโธว่าที่พระเจ้าทรงประทานแก่พระราชน์พระว่าก็เป็นตอนตอนตอ น, ตอนแรกก็ทรงให้ดูขันห้า วเป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียาวก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีพอดีก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีมันไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราแล้วไม่เป็นทั้งตัวตนของเราเป็นพราะว่าที่ทรงประธานก่อนจะออกบิณฑบาตแล้วในขณะบิณฑบาตเราหุ่นก็เห็นว่า โอกาสที่รับประธานโอวาทขนาดนี้อ่ะมันมันไม่ใช่เกิดขึ้นได้โดย ง, ง่ายเพราะงั้นก็ไม่คิดบินตะบาทแล้วก็กลับมานั่งเจริญกรรมฐ า, านยังไม่ไทันนั่งเนภาษาริบุตรซึ่งเป็นอุปชาญยะบอกว่าเราหุนจเจริญอนาปานาสติเต อ า, าณาปานสติที่บุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วจะมีผลมีอานิสงส์มากพระอุคนก็เกิดสงสัยพระพุทธเจ้าสอนอย่างพระสารีบุตรสอนอย่างนะที่จริงอย่างเดียวกันนะนะแต่ว่าท่านท่านสงสัยเองพอตกตอนเย็นก็ไปกราบทูลถามอีกแต่แทนที่พระพุทธเจ้าจะแสดงแนวเดิม ถึงยากนะฮะแนแรกเ่มันยากมาพอเปการเจริญระดับวิปัสสนากรรมฐานมันพูดง่ายนะมันสวดง่ายนะฮะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่จริงๆแล้วทำยากมากพอถ้าทำได้มันไม่เป็นไม่ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเป็นพระยะบุคคลแล้วพระเจ้าเริ่มไปใหม่เลยมันก็เริ่มมาที่ธาตุสี ถ้าสี่โดยแยกร่างกายเอาไม่ใช่ทาท่านนะฮะแยกร่างกายเป็นดินน้ําลงไปอากาศให้ดูแต่เป็นส่วนส่วนก็ตอนแรกเนี่ยก็แยกเป็นเป็นดินน้ําลงไปอากาศพอตอนที่สองให้ทําใจให้เสมอได้ดินน้ําลงไปอากาศในกรณีที่กระทบอารมณ์และเกิดกิเลสนะฮะคือไม่ให้จิตไปยึดติตอยู่ในความรู้สึกเหล่านั้น มาความกิเลสอาจะเกิดแต่ควรจะเกิดแล้วก็ก็ิแล้วต่อกันเลิกแล้วกันไอ้แค่กระดินไม่ยินดีนยินไรตัวสิ่งที่สกปรกจะดีหรือไม่ดีก็ทานแจะก็โยนลงไปน้ําก็ไม่ยินดีนยินไรแล้วก็สามารถสลายสิ่งสกปรกที่ก็ทิ้งลงไปพูดน้ําปกตินะฮะไม่ใช่น้ํำในคลองบางผู้อ่า แล้วลมก็เหมือนกันคือมันพัดผ่านสิ่งต่างหลายโดยไม่ข้องติดคือสิ่งดีก็ไม่ข้องนะฮะสิ่งไม่ดีก็ไม่ข้องไฟก็เหมือนกันคือไม่ยินดียินร้ายไม่ข้องไม่ติดอากาศกระ น, น, นั้นแต่ท่านท่านทั้งหลายจะเห็นว่าที่จริงแล้วทั้งสามตอนน่นนะสามตอนที่สงแสดงตอนแรกก็เอายกเอาชีวิตทั้งชีวิตขึ้นมาคือเอาตัวเราทั้งตัวขึ้นมาพูด เพื่อต้องการจะให้ลดตัญหาที่รู้สึกว่าของเราลดตัวมานะที่รู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ลดทิฐิที่รู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปเรื่องใหญ่เป็นมีปรสนากรรมฐานพอพระศาสดาบุตรท่านสอนเนี่ยท่านแยกตัวออกมาดูอย่างเดียวกันดูโดยเฉพาะที่ลมหายใจเข้าออกก็คือชีวิต ลมหายใจเขาออกนั้นเรียกว่ากายสังขารคือตัวที่ปลนปลื้ชีวิตเราอยู่ตราบใดที่ลมหายใจเขาออกยังมีอยู่ชีวิตเราก็มีอยู่ดูเฉพาะตรงนี้เพื่อเิตนส ง, งบอยู่ที่จุดนี้ก่อนแต่พอพระเจ้าแสดงแยกเป็นธาตุก็คือแยกตัวที่ส่วนที่เป็นรูปนะฮะออกมาเป็นธาตุตรงนี้แต่าถามมาเทศเรื่องอะไรเราก็บอกว่าเทศเรื่องทุกขสัตย์ เป็นการสอนทุกกระสับ ท, ทุกข้อเนี่ยฮะสอนทุกกระสับ ท, ทีนี้ตัวตัวการมองเนี่ยมันมันเป็นมักกระสับ น, น, นะฮะตัวการเจริญเนี่ยเป็นมักกรสับแต่ว่าสิ่งที่มองเนี่ยเป็นทุกกระสับต่อมาการทำใจการทำใจเป็นธาตุไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายก็หมายความว่าสอนในแนวของ สมุทัยศัสตร์คือลดกิเลสแต่สิ่งที่มองก็คงเป็นทุกข์ษัตริย์นะะสิ่งที่มองก็คงคงคงเป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วมันมักเกิดกิเลสไม่ได้เกิดธรรมะเพราะสอนในแนวที่ถ้าเกิดกิเลสก็ให้ลดเกิดธรรมะก็ดีไปนะเพราะจริงๆเวลาเราเรียนรู้ธรรมะเราก็เรียนยเรื่องนี้เหมือนกัน ทนในช่วงต่อมาเนี่ยทรงเปลี่ยนกับมาฐานแล้วไปเรื่องรับสั่าดูก่อนเราหุนเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาแล้วจะละพยาบาทได้เราหุนเธอจงเจริญกรุณาเถิดเมื่อเจริญกรุณาแล้วจะละหญิงสาได้เราหุนเธอจงเจริญมุติตาภาวนาเถิดเมื่อเจริญมุติตาภาวนาแล้วจะละลิษยาได้ ดกรเราขุนเธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเธอเมื่อเจริญเบกขาภาวนาแล้วจะละปฏิฆะได้แล้วก็ยกกรรมฐานข้ออื่นในสองสามข้อก็เรามาพูดในข้อนี้สักก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นกรรมฐานอีกชุดหนึ่งก็คือพรหมิหารพรหมิหารนั้นท่านท่านจะแบ่งเป็นสองระดับะคับ ที่จริงมันมั น, ม, นมันก็เป็นสามระดับคือรดับในชีวิตประจําวันไม่ได้พูดถึงเรื่องระดับกรรมฐานอะไระมายความว่าให้มีความรู้สึกเมตตากรุณาเมตตาเป็ข้าต่อคนทั้งหลายตามสงค์แก่กรณีสาหรับคนสัตว์ทั่วไปเนี่ยเราก็ทําใจรู้สึกที่กร้วยเมตตาต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายในฐานะเป็นเพื่อนร่วมผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่แผลเมตตากันอยู่เนี่ย จะมาคนที่ประสบความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่ถูกเผาโรงเรียนหว่าพระที่ถูกปาระเบิดหรือว่าคนที่ถูกลงแรงถล่มอยู่ที่โกราชคนอยู่ในทุกข์ตอนนั้นเราคิดอื่นไม่ได้นะคิดเรื่องการุณาอย่างเดียวจะทําอย่างไรให้เขาหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ตอนนั้นได้ก็ใช้ในกรณีนี้ไม่ได้ใช้ในกรณีที่ คนก็อยู่ดีมีสุขอยู่แล้วไม่ต้องไปช่วยอะไรเขาอะ่ะมันก็แค่คนเดินแข็งแรงอยู่แล้วไม่ต้องไปประคองเขาหรอกยุบวุ่นวายแต่ถ้าเขาเดินเหน็ดเข่าจะหกลม้มเดินไม่ไปได้ยิงเข้าไปประคองที่เข้าไปช่วยเหลือเขาโมติต า, าใช้ในกรณีที่เข า, อ ย, าเยอย่างเนี้ยอย่างหยางคนที่ประสบอันตรายเหล่านี้ทั้งหมด อย่างน้อยเราก็ดีใจนะฮะที่เด็กไม่ตายก็ดีใจที่พระไม่ถึงกับมรณภาพก็ดีใจที่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขรอดมาได้ก็ชื่นชมยิดีกับเขาส่วนที่คนก็ลังประสบความทุกข์เราก็ตายกรุณณามันก็คนนี้เกิดแยกเปนสองพวกแล้วตรงนี้ยพวกที่รอดรอ ด, รอดมาได้เราก็มุติตาไปขึ้นชมยินดีส่วนที่ยังประสบปัญหาอยู่ ก็ตั้งใจที่จะก็หลุดรอดจากปัญหานเรกตั้งอุเบกขาถือว่าเสร็จแล้วนะฮะอย่างไรกันีนี้สมมติก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับก็ทําใจไปกลางเออคือไม่ต้องไปโกรธอะไรใครอนะฮะโกรธไปก็ทอนนั้นเองก็ทําใจเราสงบรู้อุเบกขาทําอันนี้ก็เป็นฐานใจเป็นเรือนใจเป็นธรรมะที่ ที่จําเป็นอะมากมา ก, กอะนะเพราะว่ายังเมตตาเนี่ยที่จริงมันเป็นคู่กับศีลข้อที่หนึ่งถ้าหนายจะเห็นว่าปัญหาต่างๆเราดูข่าวโทรทัศน์ฟังวิทยุอ่านหือพี่มันมีแต่เรื่องเนี้ยเรื่องรุนแรงทั้นั้นแหละไม่รู้เป็นยังไงไม่อเช้าก็เจอหมอดูถามบ้านเมืองมันเป็ น, ปนยังไง หมอดูก็บอกว่าอะไรนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมหากันยานี่ยมาจะเกิดเรื่องรุนแรงคน ล, ล้มตายกันมากๆกระทายมันก็ตายแล้ว่นะทายถูกทุกค น, นะ อ, เนเ อ, อ, อนนะเป็นเรื่องของของการผิดศีลนะเป็นเรื่องการผิดศีลแต่ถ้าเราอยู่ด้วยเมตตาได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ช่วยเหลือเพือนบุญกัน ในคนประสบกรรมของเขาก็ค ง, ต, งต้องประสบเลยเราคงแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่เขาหรือไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่เราแต่ทรงใช้คำว่าให้เจริญเมตตาเพื่อรับพยาบาทเพราะพยาบาทกับเมตตาเนี่ยมันเป็นสองตัวสองขั้วนะฮะกวาหนึ่งเย็นกว่าหนึ่งร้อน พยาบาล ท, ท่านลองสังเกตดูว่ามัน ร, นร้อนร้อนจนกระสับกระสายจนนอนไม่หลับจนงุนง่านจนคลุ้งคลั่งไปเลยก็มีนะด้วยแรงอากาตพยาบาแลแต่ถามว่าทำไมจึงเป็นฉชนั้นคือลมมองคนทั้งหลายในรูปที่เป็นศัตรูจริงจังต้องการจะทําความทิบัตรต้องการจะล้างผลาญต้องการให้พ้นหมดไปสิ้นไป ตายไปนะครับง่ายาล้างผ่านกันจนตายไ ป, ปรเราคิดเรานี้แรงนะฮะอย่างเมื่อคืนเนี่ยมีสี่ทุ่มมัมีคนโทรมาถามว่าคณะสงฆ์เนี่จัด ก, การยังไรบ้างอ่ะพระปาราเบรต่วัดจังนาลาทิวาตุปาราเปรติเ่ยก็ไม่จัด ก, การอะไรหรอกโย่จัด ก, การอะไรอยากรู้าแล้วอบอกทาคณะสงฆ์ไม่จัด ก, การอะไรจะแย่นะคืนนี้คือคือไปเข้าใจยังไงอ่ะ เราจะเห็นว่าในแง่ธรรมะอะไรมันผิดทางนั้นเลยสมมติเราจะไปโต้อตอบเอาระเบิดไปปาด้วยหรือปาที่ไหนจะปาทําไมแล้วก็เพิ่มความบาดเจ็บกันพอแล้วขณะนั้นก็พอแล้วก็วาอาจจะเชื่อมโยงให้ไปเป็นการกระทาของอิสลามอะไรต่ใดมันไม่ได้หรอกฮะเชื่อมโยงไม่ได้หรอกอย่างนั้นเชื่อมโยงเลยกันเล็กกันใหญ่เลยคือถือว่าให้มันหยุดตรงนั้น เขาปาก็ใช้เจ็บเท่านั้นให้ตายเท่านั้นสมมุรติตายน ะ, ะ่าวว่าอาจจะตายตะกงก็ตายก็ให้ตายไปเท่านั้นเองแล้วก็ไปแก้ไขจับกลุ่มเรื่องของเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองท้าพระไปจะวุ่นวายด้วยอย่างนี้มันไม่ใช่วิธีการศาสนาพุทธนะครับและไม่ใช่วิธีการศาสนายสลามด้วยมันเป็นวิธีการของคนปาเพราะว่า ถ้าไปเกิดทำอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่ามันก็จองเวรจองกรรมก็ไม่รู้รู้ที่สิ้สุดในการภาคใต้เนี่ยมันมันเราเริ่มมาจากฮารีสุรงคนเดียวเนี่ยก็แย่แล้วเดีย๋ยวมันหุนวนกันอยู่แบบนี้นะมันก็เริ่มมาจากตรงนั้นไปฆ่าเขาหมกที่ตรงไหนไม่รู้แถวนั้นนะแต่เรื่นี้บางตอนลูกหลานก็ยังอยู่มันมาถึงรลูกเขาอะนะรนลูกเขาก็ามีวงซาคณายาเขาไปสร้างความเดือดร้ อ, รอในให้แกเขาความไม่เป็นธรรมแกเขาโก็โกรธอ่ะ เพะวิธีที่ดีที่สุดมันต้องยุติเวรยุติเวรก็คือยุติพยาบาทเพราะเวนั้นจะไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่จะระ ง, งับไปด้วยการไม่จองเวรมันต้องหาทางหยุดที่สักช่วงคนหนึ่งนะฮะตัวคนหนึ่งก็หยุดเสียเพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังต้องรับบาปต่อไปถ้าเป็นเจอบาปก็เจอจเฉพาะคนรุ่นเราเยไปสร้างบาปไปคนรุ่นหลังต่อไปอีกก็มีปัญหาการไม่มีที่สิ้นสุด ในความคิดจะให้เป็นรงครามศาสนาให้ได้ได้ยังไงไปเลยนะมนเกิดยุยงมากลางดึกแล้วก็ก็ไม่อธิบายในหะ้รู้สึกว่าเขาเขายยอะมากถ้าทางก็กวดมากก็ไม่อธิบายมานเดียจะลองสอบถามก็ดูว่าเขาจะทำไงบ้างแต่ความคิด น, นี่คิดผิดเนี่ยนะเรื่องเรื่องคิดพยาบาทเาจะจะเห็นว่ามันเป็นการสร้างบาป แล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่บาปเกิดขึ้นภายในใจระดับนี้สงพูดแนวภาวนาหมายความมาแก้ปัญหาที่ใจเราแล้วมันไม่ใช่ระดับสินธรรมมันเลยสินธรรมมาแล้วนะะมันมันเลยระดับสินธรรมจันยามัแล้วให้แก้ปัญหาที่ใจเราว่าให้ลดพยาบาทลงไปแต่พยาบาทมันร้อนนะฮะเมตตามันเย็นก็โดยวิธีเพิ่มความเย็นคือเมตตา ก็ไม่ที่ที่จริงเราไม่ต้องพูดเรื่องพยาบาทก็ได้เพราะเมตตาก็เกิดแล้วมันก็ทำหน้าที่สลายพยาบาทเองแล้วพระเจ้าทรงสอนให้พระราหุ่นท่านดูทั้งสองข้างทั้งสองด้านไนงะคือว่าถ้าเราจะเดิญเมตตาไปเรื่อยเนี่ยเราจะลดความพยาบาทลงไปได้จะน้อยช่วงเวลาช่วงเวลาเราจะเห็นว่าบางทีพยาบาทกันเป็นเดือนเป็นปีทําอะไรไม่รู้มันลดลดลงมาไนงะ เราลดลงมาสมมติเราเคยพยาบาทตั้งเจ็ดวันก็ลดลงมาสักตั้ห้าวันสี่หกวันห้าวันสี่วันสามวันเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆจนเบูบแล้วก็ดับไปได้แล้วก็จนจนไม่บูบเลยนะฮะจนไม่บูบเลยการสรุปว่าจิตใจเราก็แข่งขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าพวดเดียวเราทําได้นะคฮะไม่พวดเดียวก็ทําไม่ได้คนระับเพียงแต่ว่าพยายามสร้างฐานใจให้มีเมตตาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พขก็ขึ้นแล้วเนี่ยเขาเกิดขึ้นแล้วที่ส่งอุปมาเหมือนน้าเราจะเห็นว่าน้ําตรงนี้อุปมาเป็นเมตตาเลยกลุนาก็อุปมาเมตตานะฮะอุปมาไอ้ไม่ใช่กุนาก็อุปมาเหมือนกับ น, น้ําพอมันเย็นอุปมาเฉพาะตอนตอนที่มันเย็นคือมันจะทําหน้าที่ชาระล้างแล้วก็ให้เกิดความเยือกเย็นเมตตาจึงจึงจึงเป็นอารมณ์กรรมาฐานข้อแต่ต้องทําบ่อยๆนะต้องทาบ่อยๆต้องคิดบ่อยๆ พยายามเจริญภาวนาในสัตว์เอาใกล้ๆนะฮะใกล้ๆภายในแต่จริงเราก็เริ่มจากตัวเราอะนะไมตาที่ตัวเราก่อนเขาเรียกว่าอัตานาอุปังกัตตวะทำตนเป็นอุปมา เ, เทียบเคียงเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการความสุขอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์เราก็แค่จัดความไม่สบายนั้นเป็นเหตุของความทุกข์ที่ชัดเจน ที่จะสูญเสียปกติภาพปกติสุขไปเป็นอันมากเราก็พยายามลดในส่วนเหล่านี้ทีนี้ให้เจริญกรุณาเมื่อเจริญกรุณาจะละวิงสาได้วิงสานี่คือความคิดเบียดเบียนเป็นลักษณะอารมณ์นะคะ่ะอารมณ์เถื่อนอารมณ์อะไรชอบคนน่ยนะมันก็เหมือนกับปัญหาอย่างเมื่อคือนเะนี่ยติดตามดึกแลเมื่อคือนนาทีสอง ก็ปัญหาที่ยุ่งมากที่สุดคือไทยมุงอ่ะไทยมุงนี่ยุ่งจริงๆจะแก้ยังไงงานการเนี่ยก็ทำไม่สรวกหมดเลยจะทำอะไรไปยืนขวางไายืนไม่ยอมขยับขยื่นนะบางทียืนดูงานเขาทำงานก็รู้ว่าก็ททำงานไม่ได้อุตส่าห์ไปยืนขวางกับเขาอ่ะนี่ก็คือก็คือลักษณะอยากดูในพวกอยากดูเนี่ยมันก็อยากหลายๆอย่างนะะบางทีก็ต้องการความมัน เห็นความรุนแรงความปิบัติีนาดเดือดร้อนต่างๆเนี่ยคนจะชอบดูมันเป็นการสนองสัญชาติยานลึกๆดิบๆของตัวเองในภายในใจนะนะถ้าถือว่าไปดูด้วยความสงสารไม่ได้นะฮะดูด้วยความสงสารนั้นดูห่างๆอย่าไปอย่าไปวุ่นวา ย, ยาไปขัดขวา ง, ขงการทํางานมันราชาเสียเวลาดูจริงๆมันมันลึกๆมั น, ม, นมันเป็นลักษณะของการเบียดเบียนหรืออาจจะต้องการฉกฉวยผลประโยชน์อะไรก็ได้ เราดูด้วยความบงใหญ่ก็ได้แต่สรุปว่ถ้าดูด้วยความบงใหญ่ต้องต้องต้องไม่ขัดขวางการทํางานเขามันก็ดูที่การกระทาอีกทีหนึ่งแต่พวกกิเลสเนี่ยที่จริงมันมีงโง่อยู่ด้วยนะฮะอย่าลืมว่าพวกโมหะไอพวกพยาบาทก็ดีพวกวิงสาก็ดีมันมีโมหะอยู่ด้วยคือบางทีอาจจะเจตนาต้องการจะดูหรือว่า ตัวเหตุผลอะไรก็ตามมาแต่ทีนี้มันมัไม่มีปัญญาพอบางทีก็ไปสั่งงานนะสั่งงานแต่ไปยืนวุ่นวายไปขวางการทํางานเขาแล้วก็สั่งมั่วคนนู้นสั่งอย่างคนนี้สั่งอย่างคนไทยชอบสั่งไงนะเราจะเห็นว่าเขมีงานเอีสั่งจังเลยเสียงสั่งเพราะฉะนั้นคนสั่งต้องมอบให้คนหนึ่งเลยทําให้คนใดคนหนึ่งสั่งแล้วทุกคนสั่งแล้วจะยุ่งกันหมดเลยนี่ก็แม่ของการเดือดเดี่ยนเนี่ย ต้องการเห็นความปิบัติเดือดร้อนมันไม่จะเกิดขึ้นจากการกระทบกระทั่งส่วนตัวเดีว่าพื้นมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นพื้นสัตว์โลกกันเองถึง ๆ, ๆก็ต้องจะแก้ยากนะพระเจ้าเองตอนตรัสรู้ใหม่ๆก็ทรงมองเห็นปัญหาเหล่า น, นี้ก็ทรงวิจารณาเห็นโลกว่าการไม่บิดเบียนกันคือการระมัดระวังในคนในสัตว์ทั้งหลายเนี่เป็นความสุขแต่ว่าคนเราชอบ ชอบในลักษณะนแนวเบียดเบียนแม้แต่ดรฟังนักขาก่าวเขาสอบเขสอบถามเนี่ยถามเฉยๆเนี่ยไมถามทําไมถามย่างไงถามต้องการให้เกิดความแตกแยกจะได้เป็นข่าวจะได้ฟาดหัวตัวไม้อะตัวเองได้เงินนะแต่ไม่นึกถึงความเสียหายความแตกแยกที่เกิดขึ้นภายในชาติปันมือนี่ก็คือแนวของวิหิงสาความเบียดเบียนอาจจะเป็นรู้ท่าหมายถึงการอาจจะมองมุงแคบๆก็ได้นะฮะ อาจจะมองว่าเป็นเป็นหน้าที่เป็นอะไรของเขาที่จะต้องเสนอแล้วก็อ้างประชาชนนุตีฮะประชาชนนอนหลับไม่รู้หลวงครูไม่เห็นนะถูกอ้างแต่ละเพราะนนั้ <c oughs> ความคิดเหล่านี้จึงแรงแล้วมันมันตัวใกล้ตัวหนึ่งเราใกล้กับกรุณาใกล้ ก, กรุณาก็าเรียกว่าโศกะคือความสุขเราดูคล้คายๆกรุณาแต่จริงมันไม่ใช่กรุณา เพราะโสกะเป็นทุกข์สภาวะของธรรมะเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องต้องต้องแยกให้ออกนะฮะโสกะนั้นเป็นทุกข์ษัตริย์ส่วนกรุณานั้นเป็นมรรคกษัตริย์วิหิงสานั้นเป็นสมุทัยกัตริ์คือเป็นเป็นธรรมะคนเราพวกกันเป็นธรรมะคนเราพวกกันบังข้างบางครบเอาเห็นคนอื่นประสบความเดือดร้อนร้องโหมร้องไห้ที่อกชกหัวยุ่งไปหมดเลยอันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่การุณานะมันเป็นทุกข์ษัตริย์ แล้วก็ยิ่งทำไปยิ่งมีปัญหามาบางทีก็ขัดขวางคนอื่นเอ่อบางทีก็เป็นอุปสรรคที่ต้องดึงคนอื่นให้มาดูแลคนขึ้นมาอีกคนหนึ่งเจ็นเ็นสมมติว่ามีคนประสบความเดือดร้อนมีญาติอีกกลุ่มหนึ่งก็ตกใจเสียใจเป็นลมช็อกไปบ้างร้องโหมร้องไห้บ้งางญาติก็แยกย้ายก็ไปปลอบคนนั้นไปให้ยา ด, ดมคนนี้วุ่นวุ่นไปเลยที่จริงคนป่วยคนคนเดียวก็พอแล้วนะ เลยเพิ่มคนเลืกหลายคนเลยยุ่งกันหมดนั้นโดยใจน้องมันเป็นทุกข์กษัตริย์มันไม่ใช่เป็นมรรคกษัตริย์มันไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาแต่ว่าเป็นตัวปัญหาเลยปัญหามันก็เพิ่มขึ้นนะเราลองดูบางทีงานศพงานศกไอ้คนยุ่งกับศพก็ยุ่งกับยุ่งกับญาติพี่น้องไอ้คนหนึ่งก็ปอบคนหนึ่งก็เป็นลมเอาไอ้คนหนึ่งก็ร้องไห้เลยวุ่นกันไปหมดเลยไม่รู้อะไรนั่นคือลักษณะเราจะเห็นว่าอาการของของธรรมะนี่มันคนละอาการ เป็นอาการของทุกเป็นอาการของมรรคเป็นอาการของสมุทยัยนะก็ปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆแต่สรุปว่าอาการของมรรคจะเป็นอาการที่ถูกต้องเพราะว่าเป็นการควบคุมจิตใจตัวเองให้อยู่ในกรอบของเหตุของผลของความเหมาะความควรตามตามสมควรแก่กรณีนนด น, นั้นเพราะว่าการุณาจิตเวลาจริงๆเนี่ยฮะจะ ยางที่เคยบอกมาเพราะว่าธรรมะชุดนี้เราเคยผ่านคือคือธรรมะชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยนะฮะมันมีอุเบกขาเนี่ยเป็นฐานสุดท้ายเป็นฐานสุดท้ายอุเบกขาเป็นเรื่องของปัญญา อ, อ, อย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าธรรมะห้าข้อนะสัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาปัญญาเนี่ยก็จะเป็นหลักมันเหมือนกระราชกุมารซึ่ง อีสหายอสีคนนะฮะพอถึงวังแล้วราชกุมารก็ใหญ่กว่าเพื่อนเขาหมดเลยคือจะกลุมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนจิตใจคนเราเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องอุเบกขาได้ถ้าไม่ อ, อุเบกขาได้แล้วทุกหมดทุกข้อนะแม้แต่ธรรมะเองตัวเมตตาถ้าเมตตาเกินไปแล้วจะเป็นทุกข์เมตตาลดเนี่ยมันไม่ใช่เมตตามันเป็นมันเป็นอคติไปาเรยกฉันทาอคติกรุณามากไปจนกลายเป็นโศกะ มันก็ตกขอบนะฮะกรุณาตกขอบกลายเป็นสนุขะก็กลายเป็นทุกข์กลายเป็นทุกข์กษัตริย์แทนที่จะกลายเป็นสมุทัยเอ๋กลายกลายเป็นมรรคกษัตริย์ <c oughs> เพราะนั้นจุดใดที่เราเมตตาไปแล้วมันไม่เป็นไปตาม ท, ที่เราเมตตาเราก็ต้องอุบเบกขาการุณาในจุดใดที่เราการุณาไปแล้วนะฮะทำใจกรุณาแต่มันมันมั น, ม, นมันไม่ได้เป็นไปตาม ท, ที่เราต้องการคือช่วยเขาไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นทุกข์ไปบังกีจะได้อะไรขึ้นมา ก็ช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องทำใจเป็นอุเบกขัยพอถึงมุติตารับสั่งมาคัดจัดนิริษยาได้นิริษยานั้นมันเกิดขึ้นจากความเจริญเก้าหน้าความดีงามของคนอื่นนะแล้วใครเจริญเก้าหน้าได้ดีมีสุขมีความเมดอะไรเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมักรู้สึกนิริยา ลิสยานั้นเป็นอาการสองอาการนะอาการแข็งดีนะครับกัอาการก็โลภะที่จริงเป็นอาการก็โทกสะด้วยหมายความมันยังไงหมายความว่าเราต้องการอยากได้สิ่งนั้นเะเองแต่พอดีคนนั้นเขาเขาได้นะแต่เราก็ไม่ชอบคนต่ลงว่าสภาพจิตเมื่อกลายเป็นสองอย่างคือหมายความว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยลาบยศสรรเสริญสุขเนี่ยสิ่งที่เขาได้เราชอบเมื่อเราโลภะในตัวนั้น แตวกับคนคนอื่นพอดีคนอื่นก็ได้เราเกิดโทสะในคนนั้นถามว่าทําไมโกรธเพราะทาไมก็โกรธเพราะคนนั้นไปได้เราอยาก ท, ทั้งทงที่เราอยากได้กิเลสตัวนี้มันก็กลายเป็นริษยาเพราะกิเลสมันมาจากโลกโลกดหลงทั้งนั้นจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ช่างนะแต่มันมาจากโลกโลกดหลงเพียงแต่ว่าผสมยังไงะสมส่วนยังไงอย่างที่เคยเยกตัวอย่างว่าสีนี่มีแม่สียูสามสีแตกสีได้เยอะจ้ะมันก็อยู่ที่สัดส่วนของการประสมวิธีการประสม กิเลสมันก็จะมีอย่างนั้นแล้วธรรมะที่จริงก็มีอย่างนั้นนะครับธรรมะก็มีจากไม่โลภ ไ, ไม่โกรธไม่หลงเราก็ผสมกันไปก็ออกกันไปที่เราที่เราพูดออกมาจากศีลสมที่ปัญญานะฮะก็ก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลนงนั่นเองแต่ธรรมะเอาไปมากมายก่กลกองเพราะฉะนั้นการทําใจชื่นชมยินดีในความสําเร็จความก้าวหน้าของบุคคลอื่นเนี่ยจึงจึ ง, จง ค่อนข้างทวนกระแสไม่เบานะฮะสู้กับกิเลสสองตัวเลยแต่ถ้าทําได้แล้วเนี่ยเราจะละความริษยาได้พระริษยานั้นเป็นการหาเรื่องในขณะที่คนอื่นเขาได้สุขแล้วเราได้ทุกข์นะหาเรื่องแท้ๆเลยแต่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยเขาได้ลาบได้ยศได้ความสุขได้รับการสรรเสริญเราริษยาเขาสุขเราทุกข์แล้วทุกข์เราได้เราหาเรื่องแท้ๆเลยไม่มีใครทําอะไรให้เรานะฮะ คนอื่นเขก็เป็นไปตามกรรมของเขาแล้วก็ประสบความสําเสร็จเราหน่าจะชื่นชมยินดีกับเขาหรือแม้แต่จะเฉยเนี่ยแม้แต่เฉยเราจะเห็นว่าใจเราจะไม่ร้อนแต่พอริษยาใจร้อนและร้อนแล้วไม่ได้อะไรด้วยเพราะคนอื่นมันคนได้นะเราเดือดร้อนเพราะการได้ของคนอื่นแล้วพอเดือดร้อนไปแล้วแทนที่จะจะได้มันไม่ได้นะกลับมีความทุกข์มากยิ่งขึ้ น, นเพราะอะไรเพราะริษยานั้นเป็น เป็นสมุทัยเมื่อมากแล้วจะออกผลเป็นทุกหมดพยาบาทก็ดีวิหิงสา ก, าก็ดีริษยาก็ดีผลจะออกมาเป็นทุกทั้งหมดแต่ว่าเมตตาก็ดีกรุณาก็ดีอมุติตาก็ดีผลจะออกมาเป็นสุขทั้งหมดอย่างน้อยนี่เราได้สุขส่วนเราช่วยคนอื่นมันไม่แน่บางทีช่วยดา่านี่ช่วยไม่ได้แต่เรานี่ได้สุขแน่เขาจะได้สุขหรือไม่เราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าให้เราทําไปแล้วกันเพราะ สิ่งนี้ที่ได้แน่นอนก็คือผู้เจริญเมตตากรุณามปฏิตายุเบกขาแล้วก็ทรงสอนอุเบกขาว่าให้ดูก่อนราขุนเถิจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดภาวนาก็คือกระทําบําเพ็ญให้จิตอยู่ด้วยอุเบกข า, าต้องทําบ่อยๆคําว่าภาวนาเนี่ยหมายความว่าทำบ่อยๆอบรมกระทําให้มากกระทําจนเป็นที่อยู่ของจิตเป็นเรือนของจิตเป็นที่อาศัยของจิต จิตมีสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติมันก็ทำนางทานองอะไรการงานอย่างอื่นที่เราทําด้วยมือนะฮะหรือแม้แต่พูดด้วยปากก็ตามถ้าเราทาําบ่อยๆมันจะเกิดความชานาญคือเรียกว่านึกปุ๊บก็ทําได้ปั๊บทันทีเลยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็แก้ไขได้จับครัดอะไรก็ตามที่ทําได้เร็วนั้นแสดงว่าทําบ่อยๆตั้งนั้นนะ น, นานทําำไม่มีทางอ่ะเพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัติเันกระแนวเดียวกันตรงใช้คำว่าขาจัดปฏิฆะได้ที่จริงปฏิฆะสรงยกมาข้อเดียวนะฮะพอยกมาทีละข้อตรงนี้มันมันมั น, ม, นมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคนเราคนเราในโลกอ่ะนะไปเป็นการสะสมความคิดต่คนแต่ไม่แน่นะคือคนคนจิต มันก็อยู่ที่สภาพจิตของคนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่า mm. นายโกตูฮารลิกที่แยหิวอาหารไปแล้วแกก็ไปบ้านก็ในายโคโคบานนะฮะกำลังเลี้ยงปรประเตกับพระพุทธเจ้าอยู่เห็นแม่แม่แม่ห ม, มากินอาหารข้าวยาคูคลุกรดยน้ำนมอย่างดีตัวเองหิวมาตั้งหลายวันนะข้าไมไกินเกริสยามหมาหมานีก็ดีก็่า นะแต่ว่าในสุดมันก็ริสยาไปจะมาเราอยากจะเป็นหมาได้เองคือคือแสดงบางทีเราริสยาแม้แต่สัตว์ติราชานนะริสยาได้แม่แต่สัตว์อย่างตั้งปกติแล้วจิตคนปกติที่มันมันมันจะริสยาเเฉพาะเฉพาะคนเนี่ยนะเฉพาะคนหรือว่าความยินดียินรายต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบคือทําให้เราเกิดความรู้สึกเออ ไม่พอใจเนี่ยคนปกติจะจะไม่พอใจจะพกคนนะนะแต่ว่าถ้าไม่จิตใจไม่ค่อยปกติแล้วไม่พอใจแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตให้เราสังเกตนะครบางทีเดินไปสะดุดก้อนอิด ก, ก้อนหินเข้าก็โกรธก็ตเตะก้อนหินก้นหินนั่นมาขวางเท้าเตะตามอีกโง่นักเไปอีกคือเจ็บเจ็บครางแล้วก็ยังไม่พอคือเตะตามลางไปอีกนะบางที ก็ประโยชน์ให้คนคนอื่นอย่างนี้อย่างผู้ใหญ่ก็ชอบใช้นะฮะเวลาไปสะดุกของอะไรแล้วไปดูเด็กเอาว่าเด็กมาวางของเกกะเอาไว้นั้นก็ก็แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกนี่มันมันมันกิเลสมันแรงไปหน่ไม่มีปัญญาที่จะคุ้มครองตัวเองรักษาตัวเองจนถึงกับเปเดือดร้อนหมดเลยหมาเห่าม้าฟัดหมาหอนเดือดร้อนหมดเลยเอันนี้ก็แสดงว่าคุมใจมาอยู่มันจะเกิดความยินราอยู่เรื่อยๆแล้วความยินดี คามยินดีที่จริงมันก็มีแต่วัตถุสิ่งของแต่ในที่นี้พูดเฉพาะคนเน่ยนะพูดเฉพาะคนพูดเฉพาะสิ่งในชีวิตเราจะสะสมความรู้สึกยินดียินดายไปสะสมความรักความชังต่อคนทั้งหลายไว้เพราะฉะนั้นถ้าคนที่เรารักเนี่ยนะเราจะเมตตาได้ง่ายแต่กรุณาได้ง่ายจะมุติตาได้ง่ายแล้วพอถึงคนที่เราชังเราจะเห็นว่าทําได้ยากหมดเลย ทำไม่ยากมาเลยเมตตาก็จเจริญยากการุณาก็ยากมุติตายิ่งยากใจเลยแต่บาคนในเราไม่ชอบเพราะงั้นจักรกิจที่มันสะสมความรู้สึกรักชังที่เรียกว่ายินดียินรายถ้าเราทําอุเบกขาได้มันจะขจัดความรู้สึกยินรายได้ผู้เจ้าจึงเน้นเฉพาะตัวนี้เพราะตัวนี้แก้ยากในการจเจริญเมตตากรุณามุติตาเราจเจริญยาก ถ้าเราปฏิฆะคือไม่ชอบเลยนะะเช่นเราเราไม่ชอบนายกเนี่ยเราจะเดิญเมตตากับนายกอญาติเราไม่ชอบ น, นย า, ากนนกยา ก, ากวันนายกเดือดร้อนจะให้เราช่วยนายกนี่ยากไะวันนายกเกิดได้ดีมีสุขขึ้นมาให้เรายินดีด้วยในญะาติเห็นไหมตกลงว่าตัวนี้กลายเป็นปัญหาตัวไม่พอใจตัวไม่ชอบเนี่ยมันมีปัญหาก็ส่งสอนให้ทํำเบกขาอุเบกขา กรณีหนึ่งก็คือในกรณีที่ทําอย่างนี้ไม่ได้เจริญเมตตากรุณาปฏิตาไม่ได้ก็อุบเบกขาให้ได้มันจะขจัดตัวนี้จากตัวตั ว, ต, วตัวปฏิฆะออกไปจากใจได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเกิดสัตว์ประสบความพิบัติเราจะเห็นว่าเวลาเ้าประสบความทุกข์นะฮะประสบความทุกข์เนี่ยมันจะสืบเนื่องจากใจเรายินดีจินร้ายแตสมมติว่าคนคนตายคล้ายๆกับอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะ อุบัติเหตุอย่างจระเนี้อย่างอย่างที่โคราชถ้ามันต่างประเทศเราไม่ตามขนาดนั้นะนะไม่โอตาหลับกับตอนนอนตามอย่างจอสอร้อนี่ทั้งคืนเนี่ยเมื่อคืนนี่นะติดตามตลอดทั้งคืนเลยเพราะมันมันมั น, ม น, ม น, มนเป็นเป็นญาติพี่น้องเราเวลาเกิดต่างประเทศจึงตายมากกว่านี้เยอะเราไม่ตามอะไรอ่ะดู ข, ข่าวฟังข่าวหน่อยแล้วก็ผ่านไปเพราะเลยเพราะใจไอ้ความยินดีความผูกพันเนี่ยมันไม่มีมากไอ้ความห่วงใย ต้องการจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างหายตายไปกี่คนบาดเจ็บกี่คนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันก็จะลดลงไปเวลาคนอื่นเขาประสบความเดือดร้อนเราจึงมักจะเกิดจะเกิด เ, ออเสียใจหรือดีใจนะมันก็สืบเนื่องจากความยินดียินดายสมมติว่าคนที่เป็นศัตรูเราประสบความาท่กข์เพราะการกระทาของเขาเราดีใจนะฮะไม่ใช่เสียใจ แต่ว่าคนที่เป็นมิตรกับเราประสบความพิบัติเพราะการกระทําของของเมือนกันเราเสียใจต้องลงมาเออมันก็ซืมเนื่องมาจากความยินดียินรายหรือดีใจความดีใจความเสียใจมันสืบ ม, มาจากความยินดียินรายที่เรามีต่อคนคนนั้นแล้วก็สะสมไว้ภายในใจพอเขาประสบความก้าวหน้าใช่ไหมเราก็เกิดออมุติตาไม่ได้พอเขาประสบความพิบัติ เราก็อดที่จะซ้ําเติมไม่ได้ถ้าเขาเป็นศัตรูนะแต่เราอดจะโศกไม่ได้ถ้าเขาเป็นมิตรเพราะงั้นมันก็สืบเนื่องมาจากตรงนี้ที่ตัวตัวทําได้ยากนะคือเ อ, อจะเดิญเมตตากรุณาโมติตาได้ยากเพราะใจมันมีความรู้สึกไม่ชอบก็มุ่งเน้นเฉพาะตรงนี้แต่ที่จริงแล้วเวลาเขาประสบความทุกข์นะเวลาเขาประสบความทุกข์มันมันจะมีปัญหาทั้งสองตัว ในมหาส ต, ติปัฏฐานสูตรผู้ชาติจึงใช้คําองคำมาทั้งทั้งทั้งสูตรนะฮะใช้กิเลส2ตัวแต่นั่นเองก็ อ, อภิชาและโธมนัตกรจัดอภิชาและโธมนัตในโลกออกไปได้นะกว่ากันเป็นปีเปีเอาไม่เคอยออกอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ของเราพื้นฐานติตของเราอย่างหนึ่งการกระทําของค น, นอย่างหนึ่งแล้วก็ความรู้สึกสืบเนื่องความรู้สึกสืบเนื่องคนนั้นเกี่ยวข้องกับเ ร, ราชาติเดียวกับเ ร, ราพวกพวกเดียวกับเรา มันทำยากนะมันทำยากอย่างเช่นอย่างเช่นเนี้ยอย่างอย่างความสนิทสนมในของคนภาคใต้นะฮะภาคใต้สีจังหวัดภาคใต้เราเห็นในชาติเลยว่าเราอยู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรปู่ย่าตาทวดนะแต่สนิทสนมไม่ค่อยสนิทสนมอิสลามกับพุทธเนี่ยไม่ค่อยสนิทสนมแค่ต่างคนต่างก็อยู่ตางคนต่างก็อยู่ไปเอื้อเฟื้อกันบ้างก็สมัครคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งก็เอื้อเฟื้อกันได้เพราะงั้น ความรู้สึกผูกพันเนี่ยฮะความรู้สึกผูกพันเลยจะร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคมเนี่ยมันมันจึงไม่ไม่ค่อยมีปัญหาจึงมากเพราะว่าคนคนน้อยนะฮะแต่ว่าสภาพจิตมันไม่เป็ น, นอนดับกันเดียวกันแต่ทำให้ปัญหามีมาตลอดนะนะตลอดสี่สี่จังหวัดภาคใต้เนี่ยมีมาตลอดตั้งแต่ไหนสถานาที่ห้าสงครามไซบุรงบุรีมาดูมาตลอดนะนะ นั่นนั่นนั่นก็คืออยู่ที่ใจมันมันมันมันมีความยินร้ายในเยอะมันมีความยินร้ายอยู่เยอะศาสนาต่างกันนั่นพวกแขกกันั่นพวกไทยก็ว่ากันไปเลยทำให้เกิดเมตตาได้ยากเห็นะเมตตายากเพราะเมตตายากในอย่างอื่นมันเดินไม่ได้แล้วเพราะเมตตาจะเป็นตัวหลักที่ทําให้เราปฏิบัติธรรมอีกสามข้อข้างหลังได้ถ้าคุณไม่มีเมตตาแล้วคุณไม่มีทางการุณาไม่ต้องห่วงคุณไม่มีทางเกิดอะ ต้องมีเมตตา น, นำเป็นฐานอยู่เลยจึงจะเกิดกรุณาได้นี่คือปัญหาที่เราวิเคราะห์ได้ว่าสังคมมันต้องเป็นอย่างเงี้ยถ้าราบใดที่ความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาอย่างแรงแล้วก็ตัวทําให้เกิดเป็นเราเป็นเขานี่มันมีหลายตัวนะชาติพันธ์ศาสนานะขนบตำเนียประเพณีไอความผูกพันมันไม่ได้เกี่ยวมไม่ได้เกี่ยวกันใกล้ลกับสังคมไทยต่อไปเราใจว่าสังคมไทยจะโดดเดียวนะฮะ จะมีลักษณะแบบอเมริกันแล้วจะเป็นโรคจิตเยอะจะเป็นโรคจิตที่จะเพิ่มขึ้นเยอะเพราะสังคมไทยฐานสังคมมันเป็นพันๆปีมามันมันฐานที่อบุ่นมันเลี้ยงอยู่ในเจริญมาท่ามกลางปูหญ่า ต, ตาทวดเนี่ฮะในในใล้ใกลกับรังพึ่งใหญ่เลยก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่เวล น, นี้เด็กมันก็โตฮนะเด็กภาคกลางเนี่ยเด็กภาคกลางแท้ๆเลยพ่อแม่ภาคกลางไปชอบปลาราปาแดก ก็พ่พี่เลี้ยงเป็นภาะอภิษฎเอ็นนะต้องลงว่าลักษณะนิสัยความนิยมเนี่ยมันจะต่างกันแนละ้วนิยมกับกับพ่อแม่ในรุ่อาหารเองก็เข้าวไม่ได้รสนิยมต่างๆข้าไม่ได้ความคิดอ่านข้าวก็ไม่ได้เพราะมาเรียนเดีวพี่เลี้ยงเอ็นเดีพี่เลี้ยงมาข้ากันเปไ็ไหนและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าแยกตัวไปอยู่โดดเดี่ยวนะความคุ้นเคยเมื่อก่อนเรามีวันจุดบรรษัตบรรดอะไรเนี่ยลูกหลานองศาคณะญาติมาพบกัน เด็กรุ่นหลังมันได้รู้จักกันปู่พ่อๆก็นํำลูกๆมาให้รู้จักด้านพี่ด้นน้องก็เคารพนับถือเป็นพี่เป็นน้องกันทุวันมันมันมันหายากแล้วแนวนั้นผู้ใหญ่ที่จะเป็นหลักที่จะเป็นศูนย์มาพบการวันวันจุดวันศาวันสงกรานวันอะไรแต่เรห็นรณรงค์อยู่วันวันแม่อยู่วันนี้นะรงอยู่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะสังคมไทยมีวันผูกพันเยอะที่จะดึงเด็กมาให้รู้จักกัน พอเด็กไม่รู้จักกันเนี่ยนะบางทีเนี่ยหลานพี่หลานน้องนี่จบละไม่รู้จักกั น, นไม่ต้องเอาลูกพี่ลูกลูกน้องหรอกเพราะว่าบางทีพี่กับน้องยังไม่ได้ติดต่อกันเลยนี่นี่นี่คือคืออะไรคื อ, คอว่าจิตที่จะเมตตาต่อกันเนี่ยมันไม่มีตัวเชื่อมไม่มีสื่อไม่มีตัวเน้นย้ำไม่มีตัวเพิ่มปูนมากขึ้นเพราะฉะนันในทสุดมันก็จะต่างคนดังอยู่ก็โดดเดี่ยว อย่างดีก็โทรศัพท์คุยกันนะนานก็โทรศัพท์คุยกันแล้วก็ไม่ว่างแม้แต่จะโทรศัพท์แล้วก็ยุ่งกันอนะ่าเพราะงั้นพื้นจิตที่สะสมความรู้สึกยินดียินร้ายเนี่ยจะเป็นตัวอุปสรรคขัดขวางอุเบกขาแล้วก็พื้นจิตที่สะสมความยินร้ายนั่นเองจะขัดขวางทั้งเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเลยขัดขวางหมดเลยเขามไม่ชอบนะฮะผู้รคนไม่ชอบกันเนี่ยปฏิบัติธรรมะต่อกันไม่ได้ เห็นไหมฮเราดูแม้แต่ชาติพันธุ์เลยดูอาหรับกับอิสราเอลดูอิอสราเอลกับปาเลสไตน์ดูอะไรก็ได้คนไม่ชอบกันเนี่ยธรรมะปฏิบัติมันค่าไม่ได้เพราะงั้นฐานใจที่สําคัญก็คือต้องตั้งฐานที่ชอบคือเมตตารักเมตตาเนี่ยพุทธเจ้าจึงเน้นไว้มากที่สุดเลยเน้น เ, นนเรื่อยๆนะตรงนี้ตรงนี้ปลูกกันได้ไหมถ้าปลูกไม่ได้บานก็เดินไม่ได้ธรรมะมันจะเดินไม่ได้ อุเบกขาส่วนหนึ่งท่านจะเห็นว่าจึงมองไปในแง่เขาเป็นไปตามกรรมแต่การเป็นไปตามกรรมให้เราลองสังเกตกรรมนะฮะเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทากรรมอนไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นก็หมายความว่าในกรณีที่เขาประสบผลกรรมเนี่ยเขาประสบความดีก็ได้ก็ประสบความไม่ดีก็ได้ ทีนี้ทำยังไงว่าให้คุณทำใจได้ในกรณีที่เขาประสบความดีถ้าคนคนนั้นเป็นศัตรูกับเขาคุณมุติตากับเขาไม่ได้กรุเบขาจะได้ไหมคุณเฉยๆจะได้ไหมเพื่อคุณจะไม่ต้องเดือดร้อนในกรณีที่คนเหล่านั้นเป็นญาติพี่น้องของเขาของเราเขาประสบผลกรรมด้วยการกระทาชั่วของเขาคุณจะทำอะไรคุณจะเมตตาคุณจะกรุณาคุณจะมุติตาคุณทาไม่ได้ แล้วคุณอุเบกขาจะได้ไหมเพื่อคุณจะไม่ต้องเป็นทุกข์่อคุณจะไม่ต้องเป็นทุกข์ไปนั่งไปนั่งกลุ่มอยู่ญาติพี่น้องติดคุกไปฆ่าคนตายติดคุกเราก็ติดคุกใจเขาก็ติดคุกกายก็เพิ่มคนติดคุกขึ้นแล้วมันได้อะไรเห็นไหมฮะตรงนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้ายิ้งใช้คำว่าปฏิฆะให้แก้ปฏิฆะเสียปฏิฆะก็คือการกระทบกระทั่งความไม่พอใจนะะความไม่พอใจความไม่ชอบ จนถึงความเครียดแค้นจริงจังความเกลียดใรตามความอาฆาตความาบัญญัติจองเวรมันก็มามาจากปฏิกะนั้นเพียงแต่ว่าความเข้มข้นนะฮะความเข้มข้นมากขึ้นคํามันก็เปลี่ยนนะคำมันก็เปลี่ยนใกล้คลๆคำพวกอาหารพวกอะไรนะฮะพวกลูกออดลูกปกลูกอะไรนะฮะมันมันมันมันความเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้ชื่อมันเปลี่ยนเพราะรูปรักมันเปลี่ยนที่จริงก็คือโก จริงๆคือกบแต่เราเรียกตั้งหลายตั้งหลายระดับนะเรียกตหลายระดับธรรมะหรือกิเลสก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะั้นธรรมะสข้อ น, นี้ส่งสอนให้เจริญให้ประหุนเจริญดูกรราหุเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเมื่อเจริญเมตตาภาวนาอยู่จะละพยาบาทได้ดูกรราหุเธอจงเจริญกรุณาเอกรุณาภาวนาเถิดเมื่อเจริญกรุณาแล้วจะละ วิหิงสาคือความเปีเป่ยนแปลนได้ทุกครั้เราหุนเธอจงเจริญมุติตาภาวนาเธอเมื่อเจริญมุติตาภาวนาแล้วจะละความริษยาได้ทุกครั้เราหุนเธอจงเจริญอุเบขาภาวนาเถิดเมื่อเจริญอุเบขาภาวนาแล้วจะละปาติฆะคือการกระทบกระทั่งความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจได้ตกลงว่ากิเลสพวกนี้กิเลสแรงแต่นั้นเห็นไหกิเลสแรงแต่นั้นกิเลสที่เอ มุ่งขจัดสวัสดิภาพของคนอื่นนั่นแหละพยาบาทก็ดีวิ่งสาก็ดีริษยาก็ดีปฏิกะก็ดีปฏิกะก็พยาบาทจริงตัวเดียวกันนั่นนะฮะริษย า, ป า, ปาเป็นกิเลสบวกเป็นกิเลสบวกระหว่างโลภะกับโทสะหรือระหว่างโลภะกับปฏิกะนะฮะตกลง ว, กว่าการเบียดเบียนทั้งหลายของคนในโลกมันเกิดจากตัวโลกกับตัวหลงไม่ใหญ่ ma, ตัวโลกกับตัวโกรธนะฮะตัวโล ก, กตัวโกรธแรงแต่มันมาจากหลงทั้นนั้นนี่นะ หลงนั้นก็เลิกพูดเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่ทุกแข่งที่มีกิเลสมันเหมือนกับปัญญานะฮะอยู่ทุกแข่งที่มีธรรมะธรรมะข้อไหนก็ตามมีปัญญาทั้งนั้นต้องมีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งถ้าไม่งั้นธรรมะก็เกิดเกลีไม่ได้กิเลสก็เหมือนกันทุกแห่งจะต้องมีต้องมีโมหะอยู่เพียงแต่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเองแล้วมันมันมันมันมาจากรากนะฮะมาจากรากอวิชามัเป็นรากเนะะ่ง เหมือนกับต้นไม้ปลายอดแหลมยังไงก็ตามมันก็สืบเนื่องมาจากรากมันสืบเนื่องไก้หรือไกลแต่นั้นเองแล้วก็ต่อไปก็รับสั่งว่าดูก่อนเราขุนเธอจงเจริญอสุภา ภ, าภาวนาเถิดนะเมื่อจเจริญอสุภาภาวนาอยู่จะละกามราคะได้อย่าลืมนะฮะมันมันมันเกิดมาจากเราขุนท่านท่านเกิดท่านเกิดท่าง เ, เกิดมันในความงามของของรูปร่างขึ้นมา ต้เริ่มมาจากความคิดเดิมกับท่านนะฮะว่าพระเราหุนตอนนั้นท่านหนุ่มนะฮะท่านหนุ่มกมาังอายุยี่สิบยี่สิบเอดยี่สิบแล้วนะฮะเอบวชไปใหม่อะบวชใหมายก็ชื่นชมพระพุทธสีระของพระเจ้าเออตอนนั้นก็จริจริงพระพุทธเจ้าก็คงประชนมยุทธ์ตั้งสี่สิบห้าสิบแล้วนะสี่สิบกว่าแล้วนะแล้วก็งามนะฮะเป็นพระพุทธสีระที่งดงามมากมันเมื่อนรายการนีฮ่าเห็นไหมฮะรายการนิฮ่านี 5, น 5, แ่แปล ก, ปล ก, ปลกมากเลยมามันดูดูไป ร, รูปทะเลย ตอนท่านนุ่มๆท่นไม่หลอ่อยิ่งแก่ยิ่งหลอ่อแปลกจริงๆกรมยามององด้วยยิ่งๆแก่ยิ่งหลอ่อสง่าสง่าหน่าเกรงขามแลงามมากเไอ้เพื่นแปลกพุทธเจ้าก็หมาบุริสากสณานะนก็งามอย่างนั้นพระหุนท่านก็พอใจในรูปกายของท่านนันะ่นเราก็ไม่บอกกันเกีอมองดูตัวเองเราก็ไม่บอกกันลูกพ่อเนะ่ย นั่นคือเรื่องความคิดเพราะฉะนพระพุทธเจ้าจะลากมาเรื่อยเห็นไหมลากมาเรื่อยมาให้ดูเรื่อยไม่ใจเราไม่ใจของเรามาเรื่อยแล้วก็มาดูเป็นธาตุร่างกายเนี่ยเป็นที่ประชุมของธาตุจะค่อยค่อยพูดกับท่านอ่ะพูดกับท่านคนหนุ่มกังมันนะนะฮะมันพูดพูดพู ด, พดนิดหน่อยไม่ได้แล้วค่อยค่อยค่อยค่อยขัดเรามานเรื่อยค่อยปรับความคิดมานเรื่อยเมืเสร็จแล้วพอพอแยกร่างกายเป็นธาตุมันมันไอความหลงตัวเองหรือความรักคนอื่นเนี่มาจากการกําหนดอารมณ์ ด้วยความยินดียินได้นะฮะเราจะเห็ este. นว่าตรงนี้ก็คือความยินดียินดีก็เกิดกรรมราคะยินร้ายก็เกิดปฏิฆะก็ต้องสรุปเกิดกิเลสสองตัวราคะก็คือความกำหนัดความพอใจปฏิฆะก็คือความโกรธความปุถุสลายพระเจ้าก็สอนให้ทําใจอย่า ใ, ให้เกิดยินดียินได้ไม่เกิดทั้งสองตัวนะไม่เกิดทั้งสองตัวไม่เกิดความยินดียินได้เพื่ออะไรเพื่อ <pareil? S 2> <onic S 1> ไม่หลงในรูปนั่นเอง ในหลวนในรูน้นะเดงทีนี้ปัญหาว่าจะแก้ความยินได้ยังไงก็ยินได้ยังไงเพราะว่าที่พูดมามันแก้ความยินดีใช่ไหมมันก็เอาอีกทีหนึ่งว่าเมื่อความยินร้ายมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องแก้เจริญปรมิหารทํำยังไงให้เจริญปรเมหารเพื่อจะแก้ตัวยินร้ายตัวไม่ชอบอ่ะตัวไม่ชอบอ่ะก็ให้เจริญโปรมิหารแล้วก็ ทำให้มาจนถึงกุเบกขาเพื่อต้องการขาจัดตัวนี้ขจัดตัวปฏิคะนะฮะขจัดตัวความเห็นได้นะเนี่ยเสร็จแล้วมันก็กลับมาที่ตัวเดิมคือราคะคือความกําหนัดในตัวเองนะฮะแล้วก็มันมัน ม, มันจะเลื้อยไปกําหนัดที่คนอื่นนะกาหนัดที่คนอื่นก็ก็เนี่ยฮะเห็นเห็นเราเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมันก็นึกจะออมีเพื่อนมีพงมีแฟนแล้วฮะถ้ายังรู้สึกว่าเราเป็นเด็กยังเป็นนั่นอยู่ความคิดอย่างนั้น ยังไม่เกิดแต่เราจะเห็นว่ามันจะคิดจากฐานเราก่อนคิดจากตัวเรานี่ก่อนแล้วก็จะคิดไปที่คนอื่นแล้วในสุดจะคว้าคว้ามามาเพื่อมาเพื่อปลนปลืเรานี่แหละวิธีการสอนจึงจึงจึงจึงเป็นเรื่องน่าศึกษานะฮะว่าสอนเด็กเด็กหนุม่มแล้วก็หลงรูปตายไปเรื่อยๆพูดพดพูดไเรื่อยๆกลอง ม, มาเรื่อยๆนะองมาเรยมาตรงนี้ละราคาแล้ว ราคะก็คือจิตที่มีความกำหนัดมีความกำหนัดมีความพอใจในกายตนก็ได้นะในกายคนอื่นก็ได้สรุปว่ากาหนดสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้สืดรมได้ลิ้มได้จับต้องนะครับว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสน่าจับต้องถ้าเรากาหนดอย่างนั้นความกำหนับก็เกิดอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ความกาหนับมันจะเกิด เพรานเราจะเห็นว่าความกันหนัดมันจะเกิดเละไปหมดเลยแต่เราไปศึกษาให้ดีความเป็นมาของมนุษย์พฤติกรรมทั้งหลายที่ไม่น่าเชื่อมันจะเกิดนะแต่มันเกิดสําหรับแกแก้กำหนดแตรงนี้มันสวยตรงนี้มันมันมันรูปนี้มันสวยเสียงนี้ไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสน่าจะต้องะรถบางรถบางก็บางบางทีมันก็เละเลยแต่คนบางพู้ก็กําหนดว่ามันอร่อยอ่ะเขาก็ชอบของเขาอ่ะ เราไม่ชอบกพเป็นเรื่องของเราเพราะงั้นจุดนี้เองที่ทําให้เกิดรักขัดแต่อย่างที่บอกนะว่ามันอยู่ที่เชื้อภายในแต่เราไม่มีเชื้อภายในมันไม่เกิดหรอกกิเลสเนี่ยแต่พอดีมันมีเชื้ออยู่เยอะ เ, ออเชื้อตรงนี้เขาเรียกว่าถ้าเรามองจากข้างในนะฮะมองจากในจิตเราเราจะเห็นว่าการกระทบอารมณ์ที่จริงมันก็คืออารมณ์ได้ ท่านลองสังเกตนะฮะว่าเราไปในที่บางแห่งเนี่ยความยินดียินร้ายเราไม่เคยมีก็ยินดียินร้ายได้เลยทําไมเพราะว่าเราไม่รู้ค่าของสิ่งเหล่านั้นบ้างนะหรือว่าเราเขาพูดมาแล้วเราไม่เข้าใจบ้างเราจึงไม่เกิดความยินดียินร้ายจะเกิดก็เกิดสงสัยสงสัยเออก็พูดอะไรยังไงอันนี้หมายความว่าไงอันนี้มันเป็นอะไรอันนี้ดีหรือไม่ดีอันนี้อร่อยหรือไม่อร่อยมันจะเกิดขนาดความสงสัย มันยังไม่เกิดความต้องการหรือความไม่พอใจอะไรแต่จะเกิดแนวสงสัยนี้มากลองไปฮะลองไปช้อปปิ้ง่างประเทศนะะไปเจอกับแขกจีนฮ่องกงเราเราไม่ก็ยินดีนรายมากอนะไม่ก็ยินดียินรายมากแต่มันสงสัยสงสัยแม่ค้าก็อธิบายไปเราก็สงสัยมันอะไรเพราะเราพูดเราเราฟังเขาไม่รู้เรื่องนะฮะคนรู้กันแล้วไปคนรู้มันจะเกิดความยินดียินรายเช่นเดียวกับการซื้อของในเมืองไทยแต่ว่า ถ้าเราไม่รู้เราจะมีระดับสงสัยราดสงสัยนั้นที่จริงมาเป็นโมหะมันเป็นกิเลสประเภทประเภทโมหะคือวิจิกิจจะจะไม่ออกมาในทางยินดียินร้ายก่อนตราบใดที่ใจยังไม่กําหนดว่าดีหรือไม่ดีนะพอใจกําหนดว่าดีหรือไม่ดีมันจะเกิดคว า, ามยินดีถ้าเรากําหนดว่าดีถ้า เ, เราจะเกิดไม่พอใจถ้าเขาเร า, เรากําหนดว่าไม่ดีดังนั้นราคะจึงเกิดมาจากใจที่กําหนด แต่ใจเราต้องมีเชื้อนะเราต้องมีเชื้อความรู้สึกในเรื่องเหล่านี้อยู่เช่นในวัตถุสิ่งของบางอย่างที่คนก็พอใจอยากได้กันต้องการกันมากๆเราไม่มีความพอใจเไม่มีความอยากได้เลยเพราะอะไรเพราะเชื้อตรงนี้เราไม่มีนะเชื่อในกรณีนี้ในวัตถุสิ่งนี้เราไม่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเชื้อกิเลสนะหมายความว่าเชื้อตรงนี้เราไม่มีเราไม่อยากได้ เราไม่อยากกินไม่อยากดูในสิ่งตอน่นั้นนะยังยางเนี้อยอลังไม่กี่วันในไมเคิลแจ็คสันจะมานี่คิดว่าโยมคงไม่ไปจองตั๋วไม่ต้องห้าพันนนะเพราะอะไรเพราะเราเชื่อยังมันยังไม่มีนะเอขนาดนั้นขนาดจะไปเต้นกับไมเคิลแจ็คสันนี่คงไม่ไหว เ, เป็นลมนะนะแล้วก็ไม่ได้อยากได้อะไรไม่สนใจอะไรทั้งๆในเวลานี้ในะตัว๋วสองพั 2, นห้าน่มันขึ้นไปห้าพันแล้วนะขายตั๋วขายตัวต ว, วิ่งกันหากันอย่างแรงเลยนะ เราไม่มีเชือ้อเราชูเช้ชเฉยเฉยเฉยเไม่ได้ติดตามอะไรเลยอัตมาที่ติดตามติดตามต้องการจะศึกษาความคิดของสังคมแต่นั้นเองนะะต้องการดูความคิดของสังคมแต่นั้นเองแต่ก็คงไม่ได้คิดจะไปดูอะไรนะะไม่ต้องห่วงเรกแต่ว่าเราเราเร า, เ ร, า, เ ร, ารู้ได้อย่างว่าอันี้คือเชือ้อโยมสังเกต ด, ดูว่าเชือ้อแล้วยมเป็นอันมาในถามว่ามันเคนจ็คสารคือใครนี่ไม่รู้เรื่องเลย รู้เรื่องลยไม่เคยสนใจมาเลยเห็นไหมความยินดีก็ไม่มีความยินร้ายกัน ม, มเพราะอะไเพราะเราไม่รู้ทีนี้ถ้ารู้รายละเอยียดขึ้นมันจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันถ้าตรงนง้ภูมิปัญญาเรามีภูมิปัญญาเรามีเราก็เข้าใจนะเข้าใจเออเด็กๆเขาก็ชอบเขานะยุคสมัยของเขาอโลกของเขาสมัยของเขาเราเมาื่อแก่แล้วเราก็ไม่ไปด่าเด็ก เราก็ให้เวดาเด็กแต่ในขณะเดียวกันเราก็สงสารเด็กที่แกแม่เอาสตางค์ไปทั้งสี่ห้าพันทำอะไรก็ยังใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะนะฮะถ้าอยากจะดูก็ดูอย่างอื่นก็ได้นะจริงๆกมง็มีเพลงอยู่อยากจะฟังมันก็ประหยัดมากกว่านั้นนะเนี่ยเรามองเขาด้วยความสงสารแต่ว่าเราต้องยอมรับพุท ธ, ธิภาวะเขาเหมือนกันนะฮะว่าเขาคิดเหมือนเราเขาก็เป็นเรา เขาคิดเมื่อเรายังไม่ได้ก็ทําอย่างเราไม่ได้เพราะว่าใจเขามีเชื้ออยู่ตรงนี้อ่านะเขาก็คิดอย่างเขาก็เป็นอย่างเขาก็ทําให้เราเกิดยอมรับแทนที่จะไปดูหมิน่นไปด่าว่าอะไรเขาไม่ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องเวลนี้กระแสความคิดเลยมันแรงไปทั้งสองด้านนะพวกต่อต้านก็ต่อต้านนะพวกหนุนก็หนุนเกินไปนะพวกต่อต้านก็ต่อต้านเกินไปที่จริงเรามองในแง่ว่า มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยสิ่งต่งางๆ น, น, นั้นก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราก็ไม่เกิดความยินดีดได้อะไรแต่แสดงว่าปัญญาเราต้องมากพอแล้วปัญญาเราต้องขึ้นไปมองในแง่ของความจริงไอ้ตรงนี้กิเลสประเภทโมหะมันลดลงไปก็ทําให้โลภะโทสะลดเห็นไหมฮะโลภะโทสะมันจะลดเพราะปัญญาเราเกิดขึ้นสูงขึ้นนะมันมันมันมันจะไม่มองในแง่รักชันแต่จะมองในแง่เรียกว่าความเป็นจริง คือยะถายถาภูตะยานัศสนะรู้เห็นตามความจริงเออเด็กนคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวก็ชอบนะเพราะว่ามันมันก็สื่อกันได้ระหว่างเขาเนี่ยคนรุ่นเขาเนี่ก็สื่อกันได้ก็ชอบอย่างอย่างเบียรเนี่ยมาฟังบางทีเขาวิจารณ์เพลงอะไรแต่ละฟังที่จริงมันเหมาะเหมาะสมากคนรุ่นนี้นะฮะคนรุ่นก่อนเนี่ยฟังไม่ไม่ได้เรื่องหรอกแต่ว่าจริงเพลงรุ่นก่อน เด็กรุ่นใหม่แกฟังไม่ไดนะ้นอกจากให้แกแกแ ก, ก่อนแกแกลงไปแกฟังได้เองไงนะไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่ายังคนคนรุ่นเราเ ส, มสมัยสมัก่อนเราก็ฟังเพลงก็เหมือนสายโยกอะไรๆไม่เป็นเหมือนกันนะ่ยมันซึ้งเกินไปแต่ว่าพอโตๆขึ้นมาเราก็ฟังได้นะเข้าใจนี่ก็ต้องต้องอาศัยอาศัยวัยอาศัยประสบการณ์อาศัยการสะสมทั้งด้านบวกด้านลบเราจะเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นจาก ตรงนี้ถ้ามีปัญญาได้แล้วเนี่ยมันจะแก้ได้แต่ว่าที่มันเกิดราคะเพราะปัญญามันไม่เกิดหรือเกิดหรือเกิดไม่พอไม่พอก็ใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาพิจารณาอย่างไงนะพิจาราก็มาดูดูตรงไหนล่ะอสุพระเนี่ยพระเจ้าสอนให้ดูสองแนวนะครหมายความว่าดูแนวหนึ่งแนวธรรมดาเด็ดดูแนวธรรมดาดูที่ตัวเราอสุพระนั่นดูที่ตัวเรา ก็หมายความว่าดูส่วนต่างๆของร่างกายเราว่าให้เห็นว่าเป็นของที่จริงมันไม่สะอาดอะไรไม่สวยงามอะไรนะฮะเป็นของปฏิกูลด้วยวิธีการต่างๆอย่างน้อยที่สุดก็ไม่หลงตัวเองไม่หลงตัวเองไม่มุ่งปรนปรือตัวเองคําว่ากายในที่จริงมาําแปลกนะครับแปลว่ากุอายะนะฮะมาจากคำสองคากุเปลว่านากเกลียด อาญาเพรียวแหล่งหรือที่ประชุมหรือที่เกิดของสิ่งที่น่าที่แหล่งที่เกิดที่ประชุมที่อยู่ของสิ่งที่น่าเกลียดแล้วเขาเรียกว่ากายบาลีที่เก่งไม่จะเล่นเน่ยสะท้อนด้วยคำคำเดียวเลยเห็นภาพเลยว่าร่างกายนั้นเป็นที่ประชุมของศพนานาชนิดในท้องเราในเรียกป่าช้าขนาดใหญ่นะฮะไม่มีป่าช้าไหนที่ใหญ่กว่าป่าช้าท้องคนกินสัตว์ก็ไปสารพัดเลยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราก็ร่างกายเราก็ จเจริญเติบโตมาด้วยซากสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะฮะก็นี่ก็ ค, คือคือมองในแนวเป็นภาพ ร, มรวมๆดูภาพ ร, มรวมๆก็อาจจะออมองไปเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่ามองไปจากผมจากปลายเท้าย่อยลงไปแล้วก็มองที่ผมขนเล็บฝันหนังนะผมผมขนเล็บฝันหนังเขาเรียกว่ตาตาจัญบรยากาศกรบมฐานมองเฉพาะตงนี้ก่อน แล้วก็มองเฉพาะอของเรานะฮะไม่ไม่ต้องไปมองของของคนอื่นแล้วก็แยกกายออกเป็นธาตุอนิวาสเนี่ยครับนั่นก็คือแนวเรียกว่าอสุภากรรมฐานแต่ดูที่ตัวเราทีนี้ส่วนหนึ่งถ้ามันมองยังไม่เห็นส่วนมากมองไม่ เ, เห็นนะ่ะนะมองไม่ค่เห็นครับคนบางคนก็แก่อายุตั้้ากสิบแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนว่าแก่ชักโกรธถามอายุเท่าไรโกรธตาเขียวเลยถาา่านทำไมอายุอ่ะพูดเรื่องอื่นไม่ได้เลยเอาไปน้นเลย ก็ท่าไม่เกิดใกล้เกิดมอมรนสติอะไรกึนหน่อยนะ ม, นมันถ้าหกสิบเราก็ใกล้ตายแล้วนะมันต้องคิดไว้ด้วยนะหกสิบผมก็ใกล้ชีวิต ท, ท, ที่จริงทุกคนผมก็ใกล้ใกล้ตายตรงนั้นเนีนะอีกแนวหนึ่งหมายความเรามองไม่เห็นนะความไม่สวยไม่งามแล้วก็ไปเรียนจะซักศพเราเห็นว่าอาุภาธรรมฐานในมาสติปฐานที่เรียกว่านาวสิกาปภะหรือป่าช้าเก้า แล้วก็อสุภกรรมฐานคือดูศพต่างๆนะฮะแต่มีข้อแม่นะฮะดูศพเนี่ยดูแล้วต้องเกิดเบื่อหน่ายนะฮะไม่จะดูแล้วกลัวผีนะไม่จะดูแล้วกลัวผีหรือดูแล้วกินข้าวไม่ได้แล้วบอดูศพไปเจอศพเสร็จแล้วกินข้าวไม่ได้เลดูแล้วกลัวผีก็ใช้ไม่ได้ดูแล้วเกิดกินข้าวไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ดูแล้วจะเห็นว่าร่างกายเนี้ยกายเราก็กับกายเขาก็เหมือนกัน วังธรมโมเอวังพาวีเอวังนาติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไปล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้พอเขาตายนะวันหลังเราก็ตายก็ไปก่อนนั้นเอง้งวันหลังเราก็ต้องตามเข้าไปนะฮะเพราะนั้นท่านจึงสอนในหะ้พิจารณานะฮะพิจารณาเรงความตายความตายเป็นธรรมดาลวงพ้นความตายไปได้บอนนี้เขาตายต่อไปก็เราตายแล้วคนอื่นก็ตาย เพื่อจะไม่ให้ไปกำหนัดจุดติดในร่างกายของตัวเองมากเกินไปแล้วก็พระเราในเรื่องใหญ่นะฮะพระคือนักบวชในเรื่องใหญ่ามาเมือ่อเมื่อคืนไปอ่านเรื่องเขาโจมตีเรื่องพระที่ไม่ยอมบวชภิกษุณีคงจะต้องพูดเรื่องภิกษุณีคือสักวันแน่นะนะเดี๋ยวมันมันเอามาว่าเราไม่เข้าใจอะไรอยู่เยอะเลยพวกผู้หญิงเนี่ยออกมารุนแร์เรื่องนี้อยู่คือคือไม่ไม่ไ ม, ไม่ใช่พระไม่บวชให้นะมันบวชไม่ได้ มันบวชไม่ได้มันไม่ใช่ไปบวชให้แกไม่เข้าใจเกินไก่ตรงตัวนี้วันหลังจะต้องพูดเรื่องปิกษุณีสักวันคือคือโจมตีว่าพระนั้นไม่ปฏิบัติตามวินัยแต่ในขณะเดียวกันบังคับให้พระละเ ม, มิดวินัยตลกมากๆเลยความต้องการตลกมากความคิดแรงมากนะเมื่เช้านี้ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยฮะลงสผิดมติชนเป็นลูกสาวนายนาริน์กลึง นะเป็นสามนเณรีคนแรกสามนเณรีคนแรกอายุตั้งแปดสิบสามแล้วนั่งด่าพระเฉิบเิบเลยเวรกรรมโยมเอ้ยจะตายแล้วไปสร้งกรมรมทำไมนักหนาะคือคือคือพระเนี่ยนอนหลับไม่รู้นอนกูไม่เห็นนะถูกด่ามานานเรื่องเรื่องละเนี่ยนะอันนี้ก็คือเรื่องของความไม่เข้าใจไม่มีอะไรว่าเราไม่เข้าใจว่าจริงๆเรื่องบินไนคือเรื่องบินไยบินัยในพระไปตั้งกันมาไม่ได้ พระพุทเจาว่าอย่างไงก็เอาอย่างนั้นแหละธรรมะนี่เราปฏิบัติได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยนะฮะธรรมะเราปฏิบัติเราเป็นอย่างเนี้ยเป็นในนิงยมเป็นกันนี่แหละปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลไปเลยทีเอาสิแน่จริงอะ่ะไม่ต้องบวชหรอกบวชทาไมลราก็บวชที่ใจนะใจบวชจริงๆมันอยู่ที่ใจนะไม่ได้อยู่ที่รูปแบบไม่อยู่ที่โคนหัวหรือไม่โคนหัวมันอยู่ที่ใจลดกิเลสได้หรือไม่บวชแปลวเว้นบาปแต่นั้นเองทําง่ายๆนะคำว่าบวชเราคือเว้นบาปแต่นั้นเอง บาปมันอยู่ที่ไหนบาปอยู่ที่ใจบาปไม่ได้อยู่ที่กายบาปไม่อยู่ที่ตามันไม่ได้อยู่ตรงอืง่นมันอยู่ที่ใจนะะเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ที่ใจได้ก็คือเราบวชแล้วพระนาคามีเยอะในสมัยพุทธกาลในท่านเป็ น, ท, น, ปนท่านเป็นกัลยาวาดเราเปติดรูปแบบทําไมเราไม่เถียงไปเพิ่มบาปทําไมในเมื่อเบ้นบาปไม่ได้อย่าเพิ่มบาปจะเพิ่มทําไม ไปดาคนโน้คนคนี้ดาไปถึงโน้นเนอะูุราพาร์จานทำไมก่อนนะว่าไปกีดกันไปกีดกั น, นอ่านไรหรอก็เมืองไทยไม่เคยมีภิกษุณีพระจะไปทําได้ยังไง่ะภิกษุณีเนี่ยก็บวชจากสงสองฝ่ายนะต้องบวชจากภิกษุณีสง ม, มากอ่อนแล้วพระจึงบวชให้ได้ถ้าไม่บวชจากภิกษุณีสง ม, มาก่อนพระก็บวชให้ไม่ได้ถึงบวชก็ไม่เป็นภิกษุณีอันนี้ก็คือก็คือเรื่องที่ที่วันหลังจะต้องบรรยายเรื่องนี้โดยโดยเฉพาะสักวั น, นนะครับ วันนี้ก็คงยุติไว้ในเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปปูในธรรมจะมีแด่ท่านสาะชาชนทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านดือ